วันนี้ได้พากันขับลู ก, กระดขั้นกระดขึ้นทําลง่ําอันนี้เรียกว่าการทําบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระดนั้นถ้ามันเขียวเรามันลื่นเมื่อเราขัดแล้วก็สะอาดสวยงาม แกก็ไม่เล่นอันนี้เป็นผลเป็นอา น, นิสงส์างเราทุกคนที่พากันคัดด้วยเพราะเราผู้คัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเรากป็นยังไปไม่ได้จำเป็นต้องไปทางเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกบ้างเล็ก น, น้อยพอสมควร แต่ว่าการขับจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันกับเราขับกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆ ง, งอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขับไม่เกา ไม่เท็ไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระดขึ้นธรรมขึ้นวัดที่เล็ดในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มัาจากดอยู่ภายในแสดงออกอย่เล็ดความโกรธในมากน้อยเท่าไรมันกดเต็มอยู่ในร่างกายคนเรา แต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางสุตกาชนะว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถะภาวนาต้องทําใจให้สงบคือให้ใจมึงแนวเป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อน ถ้าไม่อางนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอานนสนิจใจสนิจกิเลสคือความโกรอดโลภหลงนั้นความกรอดโลภหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังห้มโยเป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไรก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัว กิเลสตัวเราก็คือว่ายาวะาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอบกรรมมาหนาก็คื้หนึ่งขึ้นเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเรา ให้หลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอาเนกชาคือว่านับพบนับคาดไม่ทวนแล้วกิเลสมันมาหลงติดโย่ข้าอยู่กับกิเลสลาคโทสะโมหะติดโย่ในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดโย่ในตับในไตในไส่ในคง ติดโยกับน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจะะารณาก็เลยมาหลงโยติดโยของโยจึงมาเห็นดุดเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นุพจ ะ, สะแสวงหาความสุขแต่เตียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลตะทกตเถาองเหล่าเมื่อพระองค์ ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัตสรูปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดายินพรมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัตพระธรรมเทศนา กแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายาแสดงถึงความบนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของปัญหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถ์ปัญหาสมานาทีเมื่อนั่งจะเสมอด้วยตัญหาไม่มีเมื่อนั่งลำคลองน้นยังเต็มฝั่งในฤดูฝน แม่ที่ลำห้วยเล็กๆหน้าถ้าฝ่องของเราก็ยังเต็มเมื่อคาวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังถึงๆคือมันน้า ม, มันเต็มฝ่องมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ ด, ดังสแสดงว่าน้ำ ม, มันยังมีเวลาเต็มแต่ตันหาของมนุษนย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองขอ คิดใจก่เลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แกจิตใจกิเลสนั้นเป็นทุกข์ปลัาๆไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเกียติกหาเป็นอย่างนั้น จึงจำเป็นอยู่ดีทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาว่าเนอย่างไรจเจริญอะไรคิดใจของเหล่านี้จึงจะสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้นั่นเป็นหน้าที่เราทุกลงใจจะต้องเอามาทิศมาพิจารณา ท, ทั้งข้งคือมันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่จิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไรลักของพระพุทธเจ้าทํานก็ให้เจริญมารณะกรรมาฐานบ้าง พุทธโธคุณพระพุทธเจ้ า, าว่ามรณะกรรมฐานนั้นคือทําให้นึกถึงความตายอาสุภะกรรมาฐานนั้นทําให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ แต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของเติมให้สงบระ ง, งับตั้งมั่นลงไปแน่ๆเต็มดวงเดียวแล้วก็เพียรเท่งดูว่าพระพุติจาท่านตัดไว้ว่าร่างกายสังขารลูกประขันขาสองเทงสองศีชะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดทีความจเจริญใหญ่เลอะกรตามความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายชังคานอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ ก็โยได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อ เ, อเลี้ยงดูแลรักษาโยร่างกายสังขารนี่จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจะะารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบคือให้เห็นว่า ธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเหล่านี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาทแผลก็คืออายตนะทั้งหลายภวานทั้งเก้าได้แก่ตา ตาสองข้าก็เป็นตาสองปองเป็นสองซอกก็สแสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดา่าหูสองข้าก็ทะลุเข้าไปในกระโหลกศีรษะก็สะแสดงว่าทั้งสองหูนี้ก็คือว่าเป็นปองเป็นอาเยตนะเป็นทะลุประ ป, ปองเป็นบาดเป็นแผลนั่นเอง แล้วจมูกก็มีสองปอกสองรูก็เป็นบาทเป็นแขนั่นเลยเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาทเป็นแขลหกแห่งแล้วยังอีกทาวารปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโคกนำเข้าไปโซร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่า มันเป็นช่องเป็นทาเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเธอออกในปากนี่หกแล้วก็เจ็บกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลือโยคือทวันหนักทวันเบาทวันหนักทวานเบ า, า, นน ก, า, เบาก็เป็นที่ทายทึ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้ว คนไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นถาดนา้ำถาดดินถ า, นา <S <S ดน้ำรวมโดยตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้นดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละดะ้าง ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียรเพ่งดที่พันว่าเป็นฟองเป็นช่องเป็นทางเป็นบาปเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้า ท้าวานทางเก้าน่แหละถ้าปุถายเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขาเบาปัญญา ความจริงและวร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ทวนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่นานว่าให้นึกถึงความตายคือว่า คนลราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อใครเจ็ดดีวิเศษขนาดไหนก็ตามละกีเลสซ้อมทางวาสนาเหมือนสาษสาษสดาจา์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตากินาโศกเจ้าทั้งหลายพยาแมตุลาคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทางนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีแพทยมีภัยต่างๆนานามากมายนับไม่ถ้วน แต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บก็เหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ดักแต่ว่าโยไปเถิดเกิดแต่เกิดไข้แล้วผลที่สุดมันจะต้องตายอันตายนั่นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายจะขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปทวายเหตุ ไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายๆมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้ครับมันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้ เราไม่ต้องการปราพนายาเรือนคาถงคาผายึดพาความรู้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปียาเรือนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหัก เวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหนะ้ามันเป็นไปเสียแล้วจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันจะแก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพัดตกหกล้ม ก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันโยท่านเชงเตือนไว้ว่ากัมลณะภัยคือความตายนั่นให้พากันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเอามาสอนจิบสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก สูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในนี้ว่าตัวเรานี้อาจจะตายทุกลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหายใจออกทางเข้าทางออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประบาทนึกถึง มรณะไคคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้หละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามาณนะทิบถ์ความพุ่งเฟ้อเหอือเหอไมใด้จะสงบหลั ง, งับไปถ้าเห็นมรณะไคคือความตายในจิตใจของตนยอนได้นับความสลดสังเวช ว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นจะหลบไปไหนหลกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตาย้นที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ต้องตายทุกคนทุกไลายไปนี่แห ล, ละนะมรณะกรรมฐานจงพาการเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลา พระพุทธอง์ท่านตารัสว่าเราแต่ถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปพระองค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกัน เวลามันจะตายจะเป็นโลกภัยข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจเลยลมหายใจเข้าไปแล้วสูรลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายจามนีลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายท้งขึ้นตายท้งล่าง เป็นอยู่อย่างเวลามันจะตายนั่งดีๆโยก็ตายเดินไปดดีๆเป็นลมล่มลงไปก็ตายพูดจาตาใสเทศนาว่าการโยก็ตายแต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชฌาบางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละ บวชพระบวชนเนนบวชนาะบวชนเนนบวชพระก็ยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นเลยมันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็ะตายในกุฏิวืหารที่ท่านนอนนั่นแหละไม่มีใครรู้ ตื่นเช้ามาพระเมนไปรวมกันที่สาาไปบิณฑบักเอ๊ะทำไมอุปชาปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เมนไปตามดูเที่ไหนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่จางคืนโน้ไม่มีใครรู้พอไปจับ ปลายเ้าปลายตีนมันแข็งกระเพื่อนถึงศีสะคุนเลยนี่แหละมรณะนะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอุปัชฌายะบวชพระภิกษุสามเณรได้พญามาตุลาศก็ไม่ยกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี่เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ ให้รอบวชพระเนรุน ก, ก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่และให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความท้อทอยยองพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้หลงเหลือ ลมเข้าไปกันนึกได้ว่าพระองค์ท่านตรงตาทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าตป็นผู้ไม่ละมาดเล่าทุกคนก็ให้พากัน น, นึกกันเจริญ ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่นแล้วก็จะละลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองเมื่อเป็นอุบายทำโดยยันยอ่อเมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาหนดจดจานาไปสะพติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยปกาศและแนี สัพพิโยวีวัจจันตุสัพโลโขวินัสตุมาเตปวัตวตวันตรายโยสุขิทีคายุโกภวะอธพิวาธนาสีริสนิตจังวุธาปัจายโนจตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังสาลัง